เป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสคือที่เกิดของอนุสัยเป็นยังไงก็ไม่ใช่ปัญหาลาะฉะนั้นก็บอกว่าสรุปว่ามรุษเนี่ยละสมุทัยอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ไม่ใช่ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะขณะที่มรุษเกิดรู้อะไรรู้นิพพานเป็นอารมณ์คือนิพพานเนี่ยนะแปลว่าความสงบจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม นิพพานนี่เป็นอสังขตะพวกข้างบนนี้เป็นเท่ากับเป็นสังขตะนิพพานเป็นอสังขตะ <Okay. S 1> เอ่อที่นี้ถ้าถ้าเรากล่าวเนี่ยนะว่าทุกทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุของทุกเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในอดีต ถ้าถ้าเปรียบเทียบนะต้องเปรียบลักษณะนี้ว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นเครือเถาหรือต้นอะไรสักอย่างที่มันคลุมไปหมดเลยนะ mm hmm. ก็บอกว่าเป็นต้นไม้ชนิดมีเม็ดเนี่ยต้นไม้นี้เกิดจากอะไร mm hmm. เกิดจากม เ, ลนะเกาก ม, เ ล, มเล็ดเนี่ยนะเกิดจากเมล็ดเมล็ดเนี่ย มเมล็ดตัวที่ทําให้ต้นไม้เกิดมเมล็ดนั้นมเมล็ดตอนไหนมเมล็ดในอดีตใช่ไห ม, มเมล็ดของต้นในอดีตเนี่ยเอามาเพาะปลูกต้นไม้นี้จึงงอกขึ้นทีนี้มีคนบุคคลหนึ่งเขาถือว่าไอ้ต้นไม้พันุนี้เลวร้ายมากต้นเนี้ยสร้างความเดือดร้อนให้มากเลยแหละต้นไหนต้นไหนต้นบวบขม ต้นบวบผมะนะพูดถึงกันนะแต่อันนี้เปรียบเทียบก่อนนะว่าต้นบวบผมเป็นต้นเนี่ยโอ้ต้นชนิดนี้เนี่ยเสียสร้างความเสียหายเดือดร้อนมากใครกลืนกินเข้าไปตายอย่างเดียวทีนี้ทํำยังไงเราก็รู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นต้นไม้ชนิดมีมเมล็ดก็ ม, มีคนหนึ่งบอกว่าถ้าถอนต้นไม้นี้ได้ก็เท่ากับถอนเม็ดมันนะนะถ้าทําลายก็เท่ากับทำลายมเมล็ดต้นนี้ซะต้นไม อันนี้เนี่ยมันก็จะไม่จ ะ, ะังหว่าไม่มีผลอีกคือแล้วก็ไม่ให้มันมีเม็ดเพื่อจะไปเพาะที่อื่นอีกต่อไปเฮ้ยทำยังไงก็มุ่งทําลายเมล็ดต้นไม้นี่มันเป็นที่ตั้งแห่งเมล็ดใช่ไหมก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งเม็ดเนี่ยเมล็ดที่มันอยู่ในต้นมันเป็นเมล็ดอ่อนๆอยู่ถ้าปล่อยให้ต้นไม้ต้นนี้สุก ต้นไม้ต้นนี้เจริญเต็มที่แล้วตะเฉ า, าตายเองนะไอเมล็ดที่มีอยู่ตกถึงพื้นเมื่อไหร่งอกทันทีแต่ถ้ามันยังอยู่ในเป็นเมล็ดอ่อนๆ่อนถ้าผู้ใดผู้หนึ่งตัดต้นไม้นี้พร้อมทำรากเสียเมล็ดอันนี้มันจะเฉาตาย น, นะมันจะเพาะไม่ขึ้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งพืชพันธุ์อีกต่อไปฉะนั้นข้ออุปมานี้เพื่อให้เข้าใจว่าทุกทั้งหลาย อนนะัทุกขศัต ท, ที่เปรียบเหมือนกับต้นไม้ใช่ไห ม, มเมล็ดพันธุ์ที่นำเกิดเปรียบเหมือนตันหาหรือสมุทัยเนี่ยนะทีนี้มีบุคคลหนึ่ง น, นนะขึ้นมาก็ใช้ขวานตัดต้นไม้เนี่ยตัดตัดตั ด, ตดแล้วก็สับอย่างเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเอยเนี่ย น, นะต้นไม้นั้นก็ถึงการเฉาตาย เมล็ดอ่อนๆทั้งหลายก็จะเฉาตายเนี่ยนะเฉาตายเพราะฉนั้นจึงกล่าวไม่ได้ว่าไอ้เมล็ดที่ที่ที่ขวานทาลายมันเมล็ดอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดของเมล็ดถ้าตัดต้นไม้ได้เสร็จถ้าทำลายต้นไม้เสร็จเมล็ดมันก็ไม่สามารถทากิจที่จะไป ไปปลูกได้ชั้นใดก็ดีคําว่ามเมล็ดนี่คืออะไรมะเมล็ดคือวิปลาดในต้นไมน้นึกว่าเม็ดมันอร่อยเนีนะ่ยก็เลยบํารุงต้นไว้เป็นอย่างดีใช่ไหมสาหรับบุคคลปุถุชนที่อยู่ในวัตฏะนะบำรุงต้นนี้เป็นอย่างดีมเมล็ดก็เพาะพัน์ขึ้นมเมล็ดก็มีขึ้น ม, มีขึ้นมีขึ้นเพราะต้นเฉาตายมเมล็ดก็งอกใหม่แต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็มาเริ่มละ ต้นไม้นี้ใช้ไม่ได้เริ่มสับแล้วนะสับว่ายังไงขันห้าไม่เที่ยงอันหนึ่งฉับเข้าไปใช่ไหมเป็นทุกข์ก็อีกฉับหนึ่งเป็นโรคก็อีกฉับหนึ่งนะฟันตายอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆนะจนกว่าจะจะเฉาตายแบบนั้นนะหรือจนกว่าที่เรียกว่าถ้ามองอย่างนี้นะถ้ามองต้นไม้แล้วถ้าฟันอย่างนี้ลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วฟันจน ขวานเนี่ยมีไอ้ที่เรียกว่ามีขาดเป็นอารมณ์เนี่ยนะเรียกว่าตัดขาดมันขาดไปเลยอย่างเงี้ยนะฟันจนขาดแบบเนี้ยสมมติว่าเปรียบเหมือนว่าขณะที่ฟันต้นไม้อ ย, อยู่อย่างนี้เหมือนการเจริญวิปสัสสนาฉับสุดท้ายที่ฟันขาดไปเลยเหมือนกับการแทงแทงตลอดอารยะั้นการตัดต้นไม้ขาดเนี่ยจะเรียกว่าตอนไหนดีจึงจะเรียกว่าขาด ขาดแท้จริงที่ตอนที่มันมันขาดไปแล้วอ่ะจริงจะเรียกว่าตัดขาดแล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะการถ้าไม่ตัดอย่างเงี้ยนะมนเมล็ดทั้งหลายที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะจะเจริญงอกงามเลก็ตัดจนกว่าจะขาดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ที่ที่ขาดเนี่ยเหมืนเหมือนอะไรมันเหมือนอากาศอีกฟังหนึ่งนะอุปมาว่าอันนั้นเหมือนกับอาสังคตะนั่นนะเพรฉะนั้นขณะที่ตัด ชันนราคะขาดเนี่ยนะมันจึงไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้ไปตัดเม็ดอะไรในอดีตเม็ดในอนาคตมันก็ยังไม่ได้เพาะขึ้นอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นการเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าไม่ตัดอย่างนี้นะเชื้อสายของการลำเลียงส่งสเสบียงมันก็จะเป็นตาไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะพันนี้ก็ยาวเลยวะตะวัตะยาวเลยนะ ขันการเจริญวิปัสนาอุปมาเหมือนกับการฟันเรื่อยๆไปเนี่ยฟันก็ตัดตัดตัดยางตัดอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าฟันจนตัดได้อย่างนี้เนี่ยก็เสร็จกิบแล้วะนะแต่ถ้าระหว่างฟันอยู่เนี่ยนะที่จริงแล้วก็บอกว่าถ้าฟันไปจนถึงระดับนี้เนี่ยนะอนะมันเฉาตายไปกี่มันมีอายุอยู่กี่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าฟันไปจนถึงขนาดนี้ มันเฉาตายไปเท่านี้เป็นต้นเนะอันนี้ข้อข้อนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันอยู่ที่การการเข้าไปฟาดฟันในขันท่าเหนไะที่จริงอ่ะนะก็คือการเพ่งโทษขันท่าการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของขันท่าเนะี่ยจนกว่าจะตัดขาดนั้นใครที่ปรารถนาขาดแต่อยากรักษาต้นไม้เอาไว้เป็นไปได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้ว ก็สรุปว่าเอ๊ะทำลายเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคนที่ตัดต้นไม้จนต้นไม้เฉาตายเนี่ยทำลายเมล็ดพันธุ์อดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็เลยไม่ต้องกล่าอะไรนเพราะว่าผู้ที่ทำปริญญาจนตัดขาดอย่างนี้ได้ถ้าทำปริญญาเสร็จเนี่ยนะตัณหาก็ไม่เออสิ่งนั้นไม่เป็นวัตถุแห่งตัณหาตาละวัตถุกตาเนี่ยนะทำให้เป็นเหมือนตามยอดด้วนแลว้ว ตัดรากขาดแล้วเนี่ยนะพะนันตันหาที่นําไปสู่พบก็จึงไม่เกิดเพระัะก็อยู่ที่การทําปริญญาถ้าใครทําปริญญาเสร็จก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมถ้าทําไม่เสร็จโอ้พันนี้มันงอกดีนักแล้วคือพูดถึงว่าอธิบายอย่างลักษณะนี้นะทําลายสมุทัยในอดีตก็ไม่ใช่เพราะว่าตมาม้นมาเกิดขึ้นแล้วเจนพาย ไอ้สมุทไยนั้นไอ้เม็ดน้ำมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะต้นไม้นี่มันขึ้นแล้วแล้วก็เม็ดที่จะไปเกิดข้างหน้ามันก็ยังไม่ได้แก่ที่จะไปไปไปขึ้นได้แล้ว้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอ่อนหรือยังไม่มีเม็ดอยู่เลยแต่พร้อมที่จะมีเม็ดใช่ไหมครับก็ถ้าถ้าตัดถ้าตัดแล้วก็มันมีโอกาสเม็ดไม่มีพอที่จะปลูกได้ถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดก็เรียงก่งไหนถ้าลงพื้นนีปลูกขึ้นหมด ปลกขึ้นหมดเลยถ้าไม่ตัดเม็ดมันก็แก่ถ้าไม่ตัดเม็ดมันก็เพาะจนได้ละก็เรียกว่าผ้าพดเร็วด้วยนะพูดตรงๆเลยนะถามว่าต้นไม้นี้มันมีอายุของมันอยู่ต้นไม้นี้มีอายุตกลงกี่ปีจางเกสอนพูดเจ็ดสิบไม่ได้กระเทือนจางเกสอนสาตอไนไะ พูดเจ็ดเสร็นี่ผู้การนี่นอนคืนนี้นอนไม่หลับแน่นไหนนะอ๋ออ๋อจะได้ต้นใหม่ใช่ไหมโอ้แต่แดงว่าต้นนี้แย่มากเลยนะจะเอาต้นใหม่อีกแล้วนะะบอกว่าต้นนี้เฉาตายก็จะไม่ไรมเมล็ดเนี่ย จ, จะเพาะล้วจะงอกใหม่ละลนะคือ มันสมมติว่าต้นนี้นะปกติมันเอา85แปดิบห้าเดี๋ยว75็ัสิบห้ากระเทือนทุกการเทือนหลายๆคนเนี่ยนะมากแล้วเกินนะเขาบอกว่าเอาสมมติ8ปดสิบห้ามันปกตินะใครตัดหรือไม่ตัดมันก็ตายในภายใน85ดบห้าแต่ถ้าปล่อยให้มันจนถึงตามเงื่อนไขโดยธรรมชาติลักษณะนี้เนี่ยนะไม่ฟันให้ตัดขาดเพื่อทำลายซะพอมันเฉาปั๊บเมล็ดตกถึงพื้นงอก แต่ถ้าตัดนะตัดเนี่ยตัดจนขาดแหละแล้วมันตั้งอยู่ตามเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นต้นไม้เฉาตายแล้วนั่นนะคือเราว่าตัดมันก็ยังมันก็ยังอยู่นั่นแหละต้นนะนะโดยซากมันอยู่ซากอยู่อนะพระ้าหันเนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่มีแต่ซากอะ่ะแต่ไม่มีเม็ดมีอะไรที่จะไปปลูกขึ้นอีกต่อไปแล้วก็ตัดจนเหลือแต่ซากพอนั่นถ้ามันถึงเวลามันก็ต้นไม้นี่มันก็ต้องล้มโดยธรรมชาติของมันแต่ว่าถ้าล้มเพราะ เพราะธรรมชาตินี่ยปลูกขึ้นแต่ถ้าล้มเพราะทากิจตัดไว้ตั้งก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะการล้มครั้งสุดท้ายก็เป็นเป็นการล้มที่เพราะไม่ขึ้นเห็นไหนะท่านก็ทำลายเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งแหง่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะก็คือการที่ทำลายที่ตั้งแห่งมเมล็ดพันธุ์นั่นเองถ้าถ้าพูดให้ตรงอ่ะนะถามว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาศัยอะไรเกิด อาศัยขันอาศัยต้นไม้ใช่ไห ม, ไมเมล็ดพันอาศัยต้นไม้ฉันใดต้านหาอาศัยอะไรเกิดอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดอาศัยขันเกิดถ้าทําปริญญาจนสามารถตัดฉันธราคาใ น, ในตาหูจมูกลิ้นกายใจในขันได้แล้วเนี่ยนะนะ ก, ก็สิ้นเชือ้อที่จะเพาะขึ้นนะก็สิ้นเชื้อโดยที่ไม่ต้องไปทำลายเม็ดไรเลยก็ <c oughs> แต่ถ้าไม่ฟันนะ เม็ดมันงอกอะโดยที่ไม่ได้ไปแตะต้องเม็ดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเม็ดที่จะพาะหรือไม่เพาะอะไรแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะไม่ทําอย่างนี้มันพอกขึ้นอีกอะเพราะฉะนั้นสรุปว่าทํำยังไงอ่ะก็มุ่งที่จะจะตักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนะก็ขยันฟันเอากันแล้วกันถ้ามีแต่คัตเตอร์ขวานไม่ค่อยคมมะไรีแต่คัตเตอร์มันค่อยกรีดทีละนิดกรีดทีละนิดย่งนี วันตื่นเช้ามาก็ไม่เที่ยงอยู่หน่อยหนึ่งก็ใช้คัตเตอร์กรีดนิดเดียวอานุสัยอ่ า, ออาถ้าเปรียบต้นไม้เนี่ยนะอนุสัยอยู่ที่ไหนอนุสัยคือยางที่อาศัยต้นไม้อนุสัยเนี่ยเปรียบเหมือนอยางที่อาศัยต้นไม้เนี่ยนะ คืออนุสยัยเนี่ยมันคืออกคุสน่ะคืออกุศลทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าอนุสัยขณะใดที่อาคุศลเกิดนขณะนั้นแหละเป็นอนุสยัยขณะที่เป็นขณะนั้นเป็นอนุสยัยทีนี้การที่จะรู้อนุสัยต้องรู้โอกาสคือที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสยัยใช่ไหมที่ที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสัย เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวแบบอ้อมแบบอุปจาระเขบอกว่าถ้าพูดที่เกิดเท่ากับพูดอนุสัยแล้วถ้าพูดอนุสัยเท่ากับพูดที่เกิดแล้วเนี่ยนะเพราะมันสัมพันธ์กันลักษณะเนี่เหมือนกับพูดถ้าพูดจิตเท่ากับพูดอารมณ์ไหมเท่ากับพูดถ้าพูดอารมณ์เท่ากับพูดจิตใช่ไหมก็ใช่นะก็มันก็เพราะอนุสัยเกิดขึ้นต้องเกิดโดยอาศัยอาศัยที่เกิดอาศัยอารมณ์ ก็ยกตัวอย่างนิดนึงครับไหนๆยกตัวอย่างีกนิดนึงครับว่าสถานที่ ท, ที่การเกิดนะสถานที่เนี่ยอืที่ที่เกิดเนี่ยเช่นตัวอย่างต้องนิดนึงา<ะ>การมาราคานุสัยก็เวทนาสองในการม า, าธาตุไหนไยนสุขเวทนาอุเบคาเวทนาเป็นที่เกิดแห่งการมาราคานุใสมหมายความว่าอะกุศลก่อนก่อนอื่นต้องเล่นก่อนใช่ไหมฮะ ว่าตัวนี้ต้องเป็นอักุศลเท่านั้นใช่ไหมครับจะเกิดก็คือมันว่าอักุศนเกิดถูกไหมครับเดี๋ยวเขาเรื่องนุสัยกันไ้ก็เลยมาต่ออนุสัยเองนะโครค้างนานมากเพราะว่านุสัยเรื่องใหญ่วอ่า มันสัตว์บุคคลยังไงอ น, นุสัยนีนะ่ถ้าเปรียบเป็นมนุษย์เนี่ยนะขณะที่คุณโกรธเนี่ยอนุสัยมันถ้าขณะที่คุณโกรธเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรในร่างกายนีเปรียบเหมือนยางเหมือนเลือดเหมือนเนื้อเหมือนอะไรอยู่ตรงไหนนอนอยู่ตรงไหน ถ้ามันถ้ารู้ที่นอนนะของมันจะทำลายมันเองใช่อนุใสอนุสยะแปลว่าอนุเสนติคือนอนเนื่องใช่ไหมนอนเนื่องเพราะอาัตถาว่าอุปัชติ อุปัชันติเนี่ยนะอุปชัชติอุปัชันติเนี่ยบอกว่าอนุสัยคืออะไรคือนอนเนื่องนอนเนื่องคืออะไรว่าถ้าว่าย่อมเกิดขึ้นสรุปเอาไงเนี่ยอตรงนี้บอกว่านอนนอนคืออะไรคือเกิดขึ้นเธอเธอถ้าถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะนี้มันเป็นสำนวนของของของบาลีเขาแขกเขาเขาบอกว่าอนุสยวาระ ฉันใดอุปัชชะวาระก็ฉันนั้นวาระว่าด้วยการนอนเนื่องฉันใดวาระว่าด้วยการเกิดก็ฉันนั้นไอคําว่านอนเนื่องแปลว่าเกิดเอาสิใครเคยถ้าใครรู้สองภาษาดีๆนะเช่นภาษาไทยกับคอามาเนี่ยเคยเอาภาษาถ้าเราแปลภาษาไทยเป็นภาษาคอมร น, นะแล้วแปลทุกคําตามศัพท์นะศัพท์นี้แปลยังไงศัพท์นี้แปลยั ง, งี้นะคนคอมรจะรู้อีกเรื่องหนึ่งเลย หรือไม่ก็แปลศัพท์มเมนต์นะทุกคําเนี่ยมาเป็นภาษาไทยตามตามศัพท์หมดเลยนะคนไทยก็จะรู้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ไม่เกี่ยวกับคนคอมเตเลย <c oughs> เขาก็มีนะคนคอมเตเขาเขาพยายามพูดภาษาไทยโดยที่เขา <c oughs> เขาแปลตามคําเนี่ยนะพูดแล้วสรุปว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้คุณพูดอะไรนะแต่แต่เราต้องจับที่ความประสงค์เขาแล้วเราจะฟังเขาออกเอาง่า ย, ง, ายง่ายเงี่ยนะเวลาเรา ใครที่เคยไปต่างประเทศนะเราสื่อความประสงค์และแปลคําไทยทุกคำเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษตามศัพท์ให้หมดแล้วคุยกับฝรั่งดูที่จะรู้เรื่องไหมคิดว่าจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเอ๊กก็แปลตามทุกศัพท์อ่ะนี่มันน่าจะคุยกันได้ใช่ไหมแล้วทําไมคุยกันไม่ได้ไเพราะบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นคําที่รู้กันในในในเฉพาะเรื่องนั้นนั้นนะแต่คําอย่างนี้แต่ความหมายเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะสายบาลีก็เหมือนกัน มันคำว่านอนเนื่องแปลว่า ย, ย่อมเกิดเอาสิะถามว่าท่านขัดกันไหมคือมันเป็นสมัยนั้นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแบบนี้แ ต, แต่ยุคที่มันก็จะตะความแต่คำว่านอนเนี่ยรู้จักคิดได้แต่คำว่านอนผมเคยให้เขาแปลภาษาจีนเขาบอกว่าก้อนหินดอกไม้ภูเขาแปลว่าเป็นไทยว่าจองใจจกักรพรรดิแปลเป็นตัวก้อนหินดอกไม้ภูเขา เอแบบคุณมุนมีว่าก็ได้นะของมาไม่รู้นะเออคือถ้าพูดอนุสัยเนี่ยนะเขา <c oughs> เขาก็แสดงอย่างนี้ถ้ า, าใครที่เรียนอนุสัยมาเนี่ยจะรู้ว่าการพูดอนุสัยก็พูดโดยบุคคลโดยโอกาสเห็นไหมโดยบุคคลกับโดยโอกาสแต่ก็ก่อนที่จะพูดอย่างนี้ก็ต้องรู้จาก3าสองย่างสาอย่างก่อนนะว่าหนึ่ง ปริเชตปริเชตว่าอนุสัยมีเท่าไรก็คืออนุสัยเจ็ดนี่เรียกว่าปริเฉตแล้วก็ว่าเมื่ออนุสัยเจ็ดว่าหัวข้อเขาเป็นอย่างนี้นะกำหนดว่าอนุสัยมีเจ็ดอะไรบ้างเขาเรียกว่าปริฉินนุเทศนะนะหนึ่งกามราคานุสัย อย่างเงี้ยาเรียกว่าปริชิ น, นุเทศนะปฏิคานุสัย 3. ม, มานานุสัย 4. ทิฏฐานุสัย 5. วิจิกิจฉานุสัย 6. ภวราคานุสัย 7. อวิชานุสนยนะอวิชานุัสอันนี้อนุัยมี7อย่าง มันหัวข้อของอนุสัยเนี่ยเป็นอย่างนี้มีเจดอย่างไงแล้วถามว่าแล้วที่เกิดล่ะที่เกิดที่เกิดเรียกว่าอุปัตติฐานะฐานะแปลว่าที่ตั้งไงไหมที่ตั้งที่อุบัติของอนุสัยว่าอนุสัยเนี่ยมันอุบัติมันเกิดที่ไหนเช่นการมาราคาอนุสัยเกิดที่ไหน เวทนาสองในกามาธาตุนะนะเวทนาสองในกามาธาตุนะเวทนาสองในกรรมาธาตุถ้าปฏิคานุสัยนอนเนื่องที่ไหนทุกขเวทนามานานุสัยเกิดที่ไหนเวทนาไห เวทนาสองในธาตุสามธาตุตัวนี้แปลว่าพบน ะ, ะเวทนาสองในพบสามก็ได้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชนุสัยนอนเนื่องในส ก, กายะส ก, กายะก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าทั้งหมดเป็นที่เกิดของทิฏฐานุสัย ภาวะราคานุัยคือรูปประพบอารูปประพบอวิชานุัยก็คือส ก, กายะหรืออุปาทานขันท่านั่นเองนะนะอันนี้ที่เป็นที่เกิดของอนุใสเห็นไะหนะทีนี้ว่าโดยบุคคลเนะนะบุคคลมีใครบ้างปูุ่ชนปูุ่ชนนี้มีอนุัยได้7จดประการ โอ้ oh, ร่วมรวยอนุสัยมากพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลมีอนุสัยหเพราะอะไรละทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยส่วนพระสกธาคามีก็ในยะเดียวกันพระอนาคามีอันนี้ฟังละนะ อันนี้มีพระอนาคามีนั้นหรือมีสามนุสัยละละกามราคานุสัยบวกปฏิคานุสัยเนี่ยนะพระรหันละได้หมดเลยเนี่ยนะหรือถ้าพูดโดยมักนะมักโซดาปฏิมักละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชนุสัย อนาคามีมักละการมราคานุสัยปฏิคานุสัสอรหัตมักรพระอนาคามีเนี่ยยังเหลือนุสสามยั ง, งเหลือไงเหลือเหลือก็มีกันเดียวกันน่น่อเหลือสามเพราะไม่ใช่ละสี่ละสองเพราะว่าโสดาบันละไปแล้วสอง ไห น, นนะอาณาคามีมักไม่ได้ทํากิจละทิฐานุสัยกับวิจิกิจชานุสัยส่วนผ้าอหารละภวะราคานุใสภวะราคานุใสมานานุใสัย น, น, นะมานานุสัยและอวิชานุใสเนี่ยนนะอันนี้เรียกว่ากล่าวโดยบุคคล น, น, นะนะอันนี้เรียกว่าบุคคลนะ